บรรดาท่านเพื่อนแสนธรรมิกาทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธมรัพั์แต่ความจริงวันนี้คอยยังไม่ดีมากถ้าการพูดคระกกัไปมากหรือเสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าป่วยหนักไปหน่อยวันนี้ตอนกลางวันก็ต้องตรง น, นอนเกือบวันแต่ได้ว่ามาถึงเวลาแนะนำกัน ก็พร้อมที่จะแนะนำเพราะว่าถือว่าขันห้าไม่มีความสำคัญวันนี้จะได้นำเอานรกพิเศษที่ไม่นับเนื่องไปด้วยในนรกแปดขุมหรือว่านรกบริวารได้วย ม, มโลกิยานรกนรกพิเศษขุมนี้มีนามว่าโลกันตะนรกคำว่าโลกันตะ แปลว่าอยู่ที่สุดของโลกจัดเป็นนรกขุมพิเศษและว้องกล่าวว่าเป็นนรกขุมใหญ่ลักษณะของนรกขุมนี้มีอาการแปลกประหลาดกว่านรกขุมอื่นเพราะว่านรกขุม อ, อื่นมีการลงโทษด้วยความร้อนแต่ได้ว่านรกขุมนี้มีการลงโทษด้วยความยิง เนื้อต่างกันตรงนี้ <c oughs> และสถานที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่เรียงรายกับบรรดานรก ท, ทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วท่านบอกว่าอยู่นอกจั ก, กรวาลข้าม่จั ก, กรวาลก็คงจะเป็นจั ก, กรวาลของนรกคือสถานที่ตั้งของนรกคุมนี้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสาม ฉันกล่าวว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็จะเหมือนว่ากันดอกปฐุมธรรชาติสามดอกกระดอกบัวภาษาบาลีฉันเรียกดอกปฐุมธรรมชาติผมก็มันเคยชอบพูดมันเคยรู้เรื่องเหมือนกันก็่ถ้ว่าจะไปค้านทำไม่ได้แล้วก็ว่าพวกเราแบบไทยๆ <c oughs> ก็ได้บอกว่าเหมือนกันดอกดอกบัวสามดอกเอามาตั้งติดกง ข, ข้าก็จะเกิดมีช่องว่างในระหว่างกลาง จักรวาลต่างๆก็ตั้งชิติกันเช่นเดียวกับดอกโบชนั้นที่ตรงท้องว่านั่นแหละเป็นสถานที่ตั้งขังโลกการตะนรกแปลว่านรกอยู่ที่สุดขั้นโลกจักรวาลเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันรู้เรื่องไหมถ้ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็จะบอกให้สำหรับ เอโลกกันแต่นรกนี้ผมยัขอได้ใบ อ, อีกหน่อยหนึ่งก็อะไรจะมาเปรียบเทียบกันคือท่านบอกว่าอยู่ที่สุดของโลกมันอยู่ที่สุดของโลกสามโลกคือหนึ่งเทวโลกสองมนุษยโลกสามนรกหรื อ, อยมาโลกเยนโลกไ้่ยมาโลก เป็นน้มันโลกสามโลกนี่มันตั้งกันแล้วจุดช่องว่างมันก็มีอยู่ตรงระหว่างที่จะชนกันตรง น, นั้นแหละเป็นที่ตั้งของโลกนตานรก้วก็โลกนตานรกนี้ไม่นับเนื่องเขาในนรกอะไรทั้งหมดเป็นนรกคุมพิเศษที่ลงโทษเป็นพิเศษบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ถูกลงโทษจากโลกนตานรกแล้ว ก็จะเข้าไปเสวยทุกขเวทนาต่อไปในเวจีมหานรก <c oughs> แล้วก็ดูโทษของเขาเป็นยังไงมืว่ากันตามภาัาที่บาลีแจ้งกล่าวไว้สีก่อนแจ้งกล่าวว่าในโล ก, กันตรานรกนั้นมีความมืดท่านล่อท้ายเป็นที่ยิ่งนี่ผมไม่ยิ่งกับท่านละ่ะเอากันมืดตือ ไม่มีแสงสว่างจากเดือนจากดาวจากแสงพระอาทิตย์เป็นสถานที่ที่มืดมนจริงๆเออทะเลล่อสรัพ ท, ทับกันแบบนี้ผมก็ลำคาญไม่ไม่อ่านก็ไม่ได้สามารถห้ามเสียสิ่งความมันเกิดขึ้นแห่งจากสุวิญญาณเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันเป็นอันว่ามองอะไรไม่เห็นทั้งหมดง่ายๆดีกว่า ไม่มีดาวไม่มีเดือนไม่มีแสงพระอาทิตย์แต่แสงที่จะปลายกฎในโลกนี้ได้ก็คือแสงของพระพุทธเจ้าในขณะใดเมื่ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมพุทธญาณวันไหนวันนั้นจะปลายกฏว่าแสงขององสมเด็จพระเจาอัมไรลอดเข้าสูในโลกนี้นิดหนึ่ง แมตหนึ่งเหมือนกับสายฟไแบบ น, นแหลมในใบอวโลกนี้จะมีแสงแค่เพียงช่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอ็งกล่าวต่อไปว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดในโลกกันตานรกนี้มีร่างกายใหญ่โตชอบลงท้ายไว้หยิงนักนะผมไม่นักกระทันละแล้วก็มีเล็บมือเล็บเท้ายาวนี่ลงท้ายว่าหนักหนาด้วย ผมไม่เอาเขาตัดออกแล้วก็ต้องมีเล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่คือใช่เล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่ตามเชิงเขาเปน็นน้นโลกกันต่อมาลกนี้ขออธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเขาโลกใหญ่จริงๆแล้วก็อยู่ที่สุดของโลกถ้าหากว่าบรรดาท่านท่านหลายที่ได้มโนมยิทธิ เวลาที่จะไปดูโลกนี้สำหรับโลกกนต์ในโลกนี้จะบอกให้ตั้งศูนย์จุดไว้ว่าเราจะไปทางด้านทิศตะวันออกเมื่อเดินไปตามทางทิศตวันออกจะไปพบทางสีง่แฝงที่จากที่เราเดินไปสายหนึ่งแล้วมีทางขึ้นทางซ้ายเป็นทางเดินค่อยๆายขึินไปสายหนึ่ง อีสายทางขวาจะเป็นทางชันจากนั้นไปทางจะลู่ลงต่ำค่อยๆช่วยลงต่ำถ้าถึงที่สุดทางนั้นจะเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งเป็นช่องว่างเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์เทวโลกและย ม, มโลกเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ผิดอืมขออภัย มันยังเรออยู่ในจุดนั้นเราจะเห็นเป็นภูเขาใหญ่ภายในเป็นถ้าที่ใหญ่โตมโหฬารมากมองเข้าไปภายในจะมีแต่ความมืดหาแสงสว่างไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าสายที่เราใช้อธิษมานกายที่เป็นทิศอธิ ษ, ษมานกายนะเสียงผมไม่เป็นเรื่องแล้ววันนี้ เรามีอาทิตยสมานกายที่เป็นทิพย์มีอารมณ์ทั้งหมดเป็นทิพย์เราก็สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในถ้าใหญ่นั้นได้คือโลกันตร์สัตว์นรกแล้วนนในที่นั้นนั่นแหละเราจะได้มองเห็นว่าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายมีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาว ใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาคือข้างถ้ำตายไปต่มาเขาทัางหลายไม่มองเห็นกันไม่ระวางถ้า น, นั้นมีความเย็นสูงมากผมไม่สามารถจะไดมาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษย์ได้เครื่องทําความเย็นทั้งหลายที่ไวาเย็นหรือว่าตู้เย็นที่เราทําน้ําเป็นน้ําแข็งได้ ถ้าเราจะเอาแสนมาคูนก็ยังมีความเย็นไม่เท่ากับความเย็นในโล ก, กันตานรกนี่มันเย็นจริงๆ <c oughs> ที่เย็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไปตก น, นรกในโลกนี้ก็เป็นสัตว์ที่มีความเย็นของใจเธอมีอารมใจเย็นที่สุดในสมัยที่เป็นมนุษย์ สำหรับความเย็นของบรรดาสัตว์นันหลายในเก็บไปก่อนเพราะว่าจะพูดในลักษณะของสัตว์ในถน้ำนี้นอกจากจะมีถ้าใหญ่โตแล้วมองลงไปส่วนลึกเราก็จะเห็นน้ำใสเต็มไปด้วยความเย็นน้ำนี่เย็นมาก แต่ความเย็นของน้ำนี่เป็นอันตรายกับร่างกายคือไม่ใช่ตกลงไปแล้วเป็นก้อนน้ำแข็งไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายเราจะแข็งไปด้วยเหมือนเจ้าของที่มาใส่ในตู้เย็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่น้ำเย็นนี่มันเป็นน้ำกรดที่มีความคมจัดลองคิดดูเย็นจัดหนาวจัดมีความคมจัดสามารถจะละลายสัตว์ทั้งหลาย ร่างกายของสัตว์นันหลายที่ตกลงไปในน้ํานั้นให้หายไปได้ภายในพริบตาเดียวบรรดาสัตว์นันหลายจะมีทั้งความเจ็บด้วยความแสบด้วยความเย็นเข้ามาทับถมจะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัสนี่มาพูดถนะึงร่างกายขอ ง, ของสัตว์ในโลกทันหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ก็รู้สึกว่ามีปริมาณมาก <c oughs> ปริมาณไม่น้อยเท่าเราจะเทียบกับเทียบกันกับโลลวะนรกหรือมหาโลลวะนรกนรกทั้งสองนี้ยังมีปริมาณของสนนรกน้อยกว่าโลกันตานรกถ้าเราจะเข้าไปเทียบ ก, กาวเวจีมหานรกผมก็เห็นว่าจะใกล้เคียงกันถ้าจะถามว่าเราจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าการไปมีสภาพเป็นทิพย์ นี่ผมพูดนี่แนะนําให้ท่านที่ได้มโนมยุทธิรู้จักวิชาใช้อารมณ์ของตนให้ถูกต้องที่กล่าวนี่กล่าวตามพระบาลีกนะ็บาลีนั้นท่านพูดไว้ไม่ผิดถ้ามันเอิญจะมีอะไรผิดขึ้นน่นที่เราเป็นผู้ผิดเพราะว่าเราไม่อารมณ์ของไม่อารมณ์ไม่ละเอียดเท่ากับท่านผู้บัญญัติศัพท์ เรื่องพวกเรื่องเล่าเรื่องเล่านี่มาคือพระพุทธเจ้าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเต็มไปได้วยความหิวเพราะว่าไม่มีอะไรจะบริโภคต่างคนต่างตายไปตามข้างๆขอบของ อ, อะไรของถ้าใหญ่บรรดาแง่หินนั่นหลายที่เต็มไปหมดมันมีแง่หินเต็มไป แง่หินที่ปลายกฏหมายก็เป็นแห้งแง่หินที่เต็มไปด้วยความคมเชื้อเฉียนร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่ผ่านไปให้เป็นแผลทั้งตัวว่อเลือดไหลโสมอยู่ตลอดเวลาเธอทั้งหลายเหล่านั้นถูกความเย็นเผาผลาญไม่ใช่ความร้อนถูกความเย็นเผาผลาญเกือบจะไม่มีแรงเคลื่อนตัวไปไหนอยู่แล้วแต่ก็ต้องไป ไปเพราะอะไรไปเพราะว่าง่ายหินนั่นหลายที่กําลังจะทบตัวอยู่นั่นมันบาดเป็นแผลปวดว่าเจ็บก็ต้องการจะไต่ไปผันหนีให้พ้นจากความคมของแง่หินแล้วว่าจะไปทําไหนก็าตามจะไปเกาะหินอันไหนก็าตามมันก็คมบาดต้นอยู่นั่นเธอันหลายก็ก็เสียกระสนเพื่อจะหนีความคมของหิน เป็นนั้นว่าตายกันไปอย่างนั้นเลือดส้มกายความหนาวเหน็บเจ็บสวงก็ปรากฏต่างคนต่างก็ร้องโคนลนครางหาเรียว่าหาความสุขหาการเงียบเสียงไม่ได้แต่การตายไปของเธอทั้งหลายเหล่านั้นตายไปในความมืดมองไม่เห็นแม้แต่มือและเท้าของตนตางคนต่างก็เสืยกะสนไปเพื่อจะพ้นจากความหนาวเย็นและความคมของหินที่บาดตน บรรดสาสัตว์ทลาลเหล่านี้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่าปลายกฎว่าต่างสัตว์ัดบางตนไปกระทบเป็นเข้าเมื่อกระทบร่างกายของซึ่งกันและกันร่างกายของสัตว์งงงทงหลเหล่านั้นมีลักษณะไม่เหมือนหิน มันมีความนุ่มนิ่มดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความหิวยจนแล้วก็เข้าใจว่าของทั้งหลายเหล่านั้นที่เราก็ทบเป็นอาหารต่างคนก็ต่างเอาเล็บจิตเนื้อสิ่งกันอะไรกันมาได้เนื้อมันแล้วก็ใส่ปากของตัวต่างคนต่างปล้ำกันต่างคนต่างจิตเนื้อสิ่งกันละกันก็เห็นว่าจะไม่ทันจะได้กินเห็นที่ไรไม่ทันได้กินสักที ไอ้มือระ้เท้ามันก็พลัดมันก็ปล่อยจากการเกาะหินล่ามกันแบบนั้นก็หล่นลงในน้ำเมื่อหล่นลงไปในน้ําเราจะเห็นได้แสนน้ําที่เต็มไปได้วยความใสได้วยความเย็นมีควันพรุ่งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นน้ํากรดค่อยๆละลายเนื้อและหนังของสัตว์ไปทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ว่าเร็วมาก มองไปชั่วงเวลาสองสามนาทีจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นี้หมดไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแตกก่กระดูกกระดูกก็ดิ่งดิ่งไปดิ่งมาถึงแม้ว่าเหลือแต่กระดูกสัตว์ตัวนี้นก็ไม่ตายมีการแสบหนักขึ้นในไม่ช้าถูกทรมานพอสมควรร่างกายก็มีร่างเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่เมื่อมีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ตอนนี้ น้ำกรดไม่ทำอันตรายแต่ความยินในความแสบยังปรากฏมันดาสัต้นหลายเรานั่นก็วิ่งก็ไห้กะเสียกระสนเข้าหาฝั่งแต่ความจริงเทอก็ไปแปบเดาบางตัวก็วหาไปหากลางน่นกลางถ้าว่าจะไปหาไอ้ผากดิมถ้าได้ก็แสนจะลาบากตอนนั้นถ้าเจีกันเข้าก็จิตเนื้อกันกินในน้ำอีก ปล่งกันไปพลั่งกันมาต่างคนต่างจะกินซึ่งกันและกันตอนนี้น้ำกดก็แผงฤทธิ์ใหม่ค่อยๆทำลายเนื้อหนังโค้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่กำลังจะกินกันเอาไปทีละน้อยละน้อยจกนกระทั่งหมดตัวหรือตะกระโกรลอนจอนถ้าดูก็ดิ้นเร่าๆดิน้นฮะไม่รู้จ ะ, ะอธิบายว่าอย่างไรมันดิ้นสุดฤทธิ์ แต่ครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีเนื้อหนังเข้ามาค่อยๆติดเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่ตอานี้วหวมาไวหว้ไปไปเกาะฟั่งได้ก็ตายไปข้างเขาก็ถูกความคมของมันได้หินนั่นหลายเ่านั้นบาดเอาเลือดไหลสมนีม่เป็นลักษณะอของสัตว์นรกในโลกันตสันรกผมก็ขอผูอ้ห่ย่อ ยอ่อย่อพอได้ความทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางของบรรดาท่านังหลายที่ได้มโนยิทธิแก่ได้หาทางสูบมาไปถีติที่นั่นไปหาทางไปสูบคําสั่สงและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราก็มาว่ากันถึงว่าอํานาจของความดีหรือความชั่วที่บรรดาสัตว์นังไลเหล่านี้ที่มีโอกาสไปตกโลกันตนรก นรกนี้เป็นนรกขุมเย็นผมบอกท่านแล้วว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่จะไปตกนรกก็เพราะตกเพราะความเย็นเย็นตรงไหนล่ะกรรมของเขาไม่กรรมย็นไอ้กรรมก็คือกรรมอคตจันทร์อยู่ไม่รู้คุณคนและก็ไม่มองเห็นโทษของคนท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ก่อกรรมทําเขินไว้ ที่จะต้องตอกเป็นรบกุมนี้ก็คือเคยเประกอบกรรมที่ร้ายกาจหยาบช้า ม, มากได้แก่การประทุษร้ายบิดามารดาด้วยการทรมานบิดามัดาในการปราศจากความกระตันยูรู้คุณความจริงคุณเขาไมิดามารดานี่เหลือล้นถ้าเรา ไม่มีวิดามารดานี่เราลองคิดว่าเราจะมีร่างกายขอเราขึ้นมาได้ไหมไม่เหมือนกับคนจังไรที่คิดว่าวิดามารดานี่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่เราก็เกิดความจริงนะครัว่าไม่เราไม่ตั้งท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดทเสือเกิดมาทาไม เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าท่านไม่รักไม่เมตตาเราท่านปล่อยเราเราก็ตายคลอดมาแล้วท้าไม่สนใจเราก็ตายแต่ว่านี่ท่านผู้มีคนเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีปรากฏว่าลูกน้อยนี้เกิดขึ้นในคันของมารดามารดาก็ประครับประคองมีดาก็พยายามทะนุถนอมไม่ให้มารดาทำงานหนักเกรงว่าลูกน้อยในคันจะตาย นี่เจตนาของบิดามันดาดีขนาดนี้จะมานั่งพูดถึงคุณอีสามปีก็ไม่จบเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนชอบบุชาคุณบิดามันดาดนี่ไม่ใช่อวดนบุคชาคนคุณบุคคลผู้มีคุณไม่แต่ให้ข้าวให้น้ำกินเพียงแค่ข้าวต้มสกปรกเยก็สวยสักที นามสยดหนึ่งนี้เราก็ทันทีว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคนแต่วรนดาสาตานหลายที่มาตกในรกนี้ไม่ได้มองเห็นคุณงามความดีของบิดามารดาพคนจึงบอกว่าเขาเย็นมากใจเขาเย็นจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกว่าบิดามารดามีคนสามารถจะทรมานท่านได้การแก ล, งกล้งท่านได้มีความอากตันอยูเห็นว่าบิดามารดาเร็วกว่าตนได้ แล้วท่านบอกว่าเหมือนกับคนมีตามืดมองไม่เห็นคุณนี่บริการหนึ่งอีรีบริการหนึ่งท่า ก, กล่าวว่าเป็นคนที่หาคุณไม่ได้ได้แว่การคิดประทุษร้ายแต่บคุคคลผู้มีคุณคือมีครูคคบาอาจารย์เป็นต้นครูบาอาจารย์ที่สอนตนให้มีความรู้คําว่าครูนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอยู่ในโรงเรียน คนที่แนะนำสั่งสอนให้เรารู้จักดีรู้จักชั่วจะเป็นคนสูงสุดตั้งแต่พระมหากษตรษอุ ม, มาถึงค่าถึงคนยากจนเข็นใจเขาทานก็ตามทีอันนี้องค์สมเด็จไปกินสีกล่าวว่าเป็นผู้มีคุณคนที่ให้วิชาความรู้เราและเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เรานะ ำว่าเราดะฉัหาเกณฑาบรรดาพวกท่านอันหลายเป็นสัตว์ในโลกการตนนรกแล้วก็สวยจัดหรือว่าพวกเราใครบ้างที่มีความรู้สึกอย่างนี้มีขึ้นจะไปก็กกกตามใจเถอะนะแต่ผมไม่อยากให้ท่านไปถ้าไปไปชมเราก็ไปจะไปอยู่นะพยายามพิจารณาใจของเราให้ดีรวมความว่าสัตว์นรกที่มาตกนนรกขุมนี้ ก็เป็นสัตว์ที่ประกอบไปด้วยความอากตตัญยูไม่รู้คุณคือไม่รู้คุณความดีขอามิดามันดาประกันหนึ่งไม่รู้คุณงามความดีของบรรดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่อย่าลืมนะผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นครูในโรงเรียน ม่แต่เพียงเด็ดเล็กเล็กล่กชีห้หนทางที่เราหลงบอกความไม่เข้าใจที่เราที่เราไม่เข้าใจอยู่ให้เราเกิดความเข้าใจแม้แต่คําเดียวคนประเภทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นครูแล้วก็ครูนี้องค์สำเ็จตระสมมาสัมำเภตเจา้าทรงกล่าวว่ามีคุณอย่างยิ่ง เราจะได้เห็นว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเสวยประชาติเป็นพระเจ้าสุตสมเวลานั้นมีคนจะมาสอนอัตธรรมแก่พระองค์แต่ว่าเขาเป็นคนจนเมื่อเวลาเข้าไปศึกษาธรรมเรืงข้อธรรมะธรรมะคำสอนเพียงแค่สี่บาทเป็นคาถาบทหนึ่งเท่านั้น องค์สมเด็จพระพระกัก ว, วันซึ่งเป็นการสัตว์ก็ทรงให้ครูนั่งบนพระแท่นที่พระองค์เคยประทับแล้วก็พระองค์ก็ทรงสเสด็จไปมานั่งกับเื่อนข้างล่างด้วยการบูชาครูในองสมเด็จพระบระม ค, ครูมีความกระตัอยูรู้คุณทั้งเพียงนี้ แ ต, แต่ว่าบรรดาสัตว์ทชนหลายที่มาเกิดในโล ก, กันตนรกนี้ไม่มีการรู้สึกในคุณของบุคคลผู้มีคุณคือได้แก่ครูบาอาจารย์สามารถจะทําลายครูบาอาจาร ย, าายาาไ์ได้ทุกอย่างและทําลายบิญญาณมารได้ทุกอย่างพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็ลืมคุณของท่านเทมานท่านได้นินทาวา่าร้ายท่านได้อิจฉาทิ่ญญาท่านได้ ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆก็เช่นเดียวกันมองไมเ่เห็นความดีของครูบาอาจารย์เป็นคนจอมอ ก, กตัญยูไม่รู้คนสามารถจะทำลายความดีของครูบาอาจารย์ให้พินาศไปตามความเจตนารมณ์ของตนเช่นพระเทวทั แต่ว่าพระเทวทัตมันยังมีความดีกับพวกนี้อยู่เขาก่อนที่จะตายนึกถึงความดีเขาองค์สมเด็จพระบรมครูจึงเลี่ยงไม่ต้องตกนรกขุมนี้ไปลงอเวจีมหานรกเพราะาตอนนั้นมีความรู้สึกตนว่ามีความผิดการการมีการขอเข้ามาโทษต่อพระบรมครูนี่เป็นอันว่านรกขุมนี้ เป็นที่อยู่ของคนอักตันยูไม่รู้คนๆ ค, คือไม่รู้จักสภาวะของคนสามารถทําลายล้างจิตใจคือทําลายความดีของบุคคลผู้มีคนมีบิดามารดาเป็นต้นได้คนประเภทนี้ไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกชั่วผมยิ่งกล่าวว่าเขามีโทษในความเย็นคือใจเขาเย็นเกินไปจนทั้งไม่มีความรู้สึกอะไร เว่าโทษอันใดที่มีเกิดแกรเราเพื่ออาศัยกันอัคตันยูไม่รู้คนคนนี้ไม่มีสําหรับเขาเพราะยัเรียกว่าเขาเย็นไม่มีความร้อนอรบรรดาเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่องค์สมเด็จพระจินวนรส่งแนะนํามาอย่างนี้รับฟังแล้วก็ฟังกันไปก่อนเพื่อเป็นการเลื่อความสงสัยในการแนะนํำขององค์สมเด็จพระจินวนวรส่งใช้มโนมยิทธิ ติดตามคำแนะนำข อ, ององค์สมเด็จพ ร, ระกินาีบรมัสสันดา ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าไป ด, ดูญาได้าสาบชัดประคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมพระบรมครูจริงหรือไม่จริงเพียงใดเจะว่ากันไปเวลามันก็หมดแล้วในวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลาย